เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคิดอะไรพระองค์รู้หมดหอย่างเงี้ยเราจะกล้าคิดเป็นอื่นไหมจะกล้าคิดเป็นอกุศลไหมไม่กล้าโดยประการทารั้งปวงอนะพอคือคืออย่างเงี้ยถ้าใครคิดเป็นอกุศลนะพระพุทธเจ้าจะพูดสับวางเลยคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดไปในเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ทางนะนี่เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็จะดับอยู่ตรงนั้นแหละท่านก็โอ้เกรงกลัวมากเลยนะพูดถึงสมัยนั้นน่ะแต่ก็อย่างว่ามันก็เหมาะกับสมัยที่คนมี ยีเโอต ป, ปะเหมาะกับสมัยของผู้ที่มีสัพทินซีเป็นต้นถ้ามาเจอในยุคสมัยนี้ก็คงลำบากเหมือนกันเนีย่ยนะว่าสงสัยพระพุทธเจ้าคงอาจจะหลีกเล่นมากขึ้นก็ได้คงไม่ไหวแนะ่นะนะก็ดูแลไม่ไม่ธรรมดานะไม่ไหวจริงๆเชื่ออนก็น <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพาน์น่ยนะ เพราะว่าพุทธเวไนหมดแล้ว น, นนะคือคนที่พระพุทธเจ้าต้องโปรดเนี่ยนะส่วนตัวตรงๆเนี่ยไม่เหลือแล้วพระองค์ทำกิจโดยบริบูรณ์มันผู้ที่บรรุรายสุดท้ายคือสุพัทธปริภาชกเนี่ยนะนันก็มาพอมาเน็กถึงเราแล้วนะเอ๊ะตอนนั้นพระองค์ก็ดูแล้วนะเอาไว้ก่อนนอนไปอ่านพไตาวิฎกเอาว่างั้นบทว่าเอตมะถังวิธิตวาความว่า พระองค์ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งภาวะที่พิสูจนเหล่านั้นมีการกระทําเอื้อเฟื้อในการทำมคคะฟังธรรมัคคะฐานเกี่ยวด้วยพระนิพพานนั้นบทว่าอิมังอุทานนางคำว่าทรงเป่งอุทานนี้อันตรกาศภาวะที่พระนิพพา น, นมีอยู่โดยประมาถโดยมุก ค, คือธรรมเทศนาที่ตรงกันข้ามจากธรรมนั้นวิธีการแสดงธรรมเนี่ยมันมีสองอย่างใหญ่ๆเลยนะแสดงแบบตรงๆเลยเรียกว่าคล้อยตา่าง อันนะคล้อยตามสิ่งนั้นอย่างหนึ่งกับแสดงแบบพลิกอีกตรงกันข้ามเรียกว่าปฏิปักษ์นั่นนะชี้ชัดตรงๆกับแสดงแบบสิ่งที่เรียกว่าปฏิปักษ์นั่นนะเช่นจะพูดถึงว่าไอความสว่างเนี่ยมันดียังไงก็อธิบายความสว่างเปิดเผยความสว่างชี้ชัดลักษณะนี้เรียกว่าแสดงแบบคล้อยตามแต่ถ้าเอาความมืดมาที่บายว่าสว่างนะั้นไม่มีมืดเลยความมืดมันยังงั้นอยังยงั้งนยางงั้นอันนะอันนี้เรียกพูดแบบ อะไรตรงกันข้ามเหมือนถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือพูดคนดีพูดชมคนดีให้เห็นชัดๆในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเอาคนเลวมาเป็นเครื่องเปรียบว่าเออคนดีมันตรงกันข้ามอย่างนี้นะชั้นใดพระองค์ก็แสดงนิพพานแบบเปรียบตรงกันข้ามโดยเอาสังคตะมาเป็นเครื่องเครื่องเปรียบให้เห็นว่านิพพานนั้นไม่มีสังคตะธรรมอยู่เลยนะซึ่งที่บอกว่า นิพพานนั้นไม่มีอะไรบ้างไม่มีปฐวีอาปโปเตโชวาโยเนี่ยนะทีนี้าการแสดงพระธรรมเนี่ยนะายการคิดอย่างเช่นคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะก็ต้องพยายามฝึกคิดในลักษณะนี้ไว้ที่เรียกว่าฝึกพิจารณาในแง่คู่ปรับว่านิพพานเนี่ยมีอะไรเป็นคู่ปรับ นิพพานมีอะไรเป็นคู่ปรับก็มีสังขารธรรมมีอุปาทานขันห้าเป็นเป็นคู่เปรียกว่ามันต่างจากอุปาทานขันห้าโดยสิ้นเชิงเนะีนะ่ยทีนี้ย้อนมาที่บอกว่าอายตนะนั้นมีอยู่คือนิพพานเนี่ยท่านเรียกว่าอายตนะเพราะอาจว่าเป็นเหตุคือโดยเป็นอารมณปัจจัยแก่มัรคยานและผลยานเป็นต้นเนี่ยนะนะก็เป็นอารมณ์ของปัจจเวคขณะยานด้วย คือนิพานเนี่ยนะเอไอยะนิพานในฐานะเป็นอายตนะแต่เป็นธรรมายตนะในบรรดาอายตนะสิบสองเนี่ยนะเป็นธรรมายตนะเป็นอารมณ์ของจิตบางประเภทไม่ใช่ของอารมณ์ของจิตทุกประเภทเป็นอารมณ์ของมัคคิจพลจิตและก็ปัจเวกขณะยานบางประเภทเนี่ยนะเหมือนอะไรเช่นสีนี่เป็นอารมณปัจจัยของจัคขวิญญาณเสียงเป็นอารมณปัจจัยของ โสตะวิญญาณเกล็นเป็นอารมณะปัจจัยของขานวิญญาณฉันใดนิพานก็เป็นอารมณะปัจจัยเฉพาะของมัรคยานผลยานปัจเวกขณะยานเป็นต้นฉันนั้นเพัานะเราจะเอาโลภะจิตไปคิดเรื่องนิพานไม่ได้เอาโทสะจิตไปคิดเรื่องนิพานก็ไม่ใช่ฐานนะเอามหากุศลเนี่ยถ้าเป็นมหากุศลธรรมดาก็ไม่ใช่ฐานนะมหากุศลทั่วๆไปอย่างมากก็ได้แค่เปรียบเช่นเห็นโทษภัยของขันห้าบเท่าใด ก็น้องไปเปรียบว่านิพพานไม่มีทุกโทษเหล่านี้หนาทีนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะประกาศอสังคตาธาตุเหล่านั้นว่ามีอยู่โดยประมัตในข้อนั้นมีนัยยะแห่งธรรมดังต่อไปนี้ว่าเพราะสังคตธรรมมีอยู่นะสังคตธรรมมีอยู่อสังคตาธรรมมตาตุก็มีเพราะมีความเป็นคู่ปรับต่อสภาวะธรรมเนี่ยนะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กันเลยนะระวาง สังคตะกับอสังคตะเหมือนกับกุศลและอกุศลเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่กุศลนั่นเป็นอกุศลไม่ใช่ง่ายแบบนี้นะตรงกันข้ามกับอกุศลเรียกว่ากุศลตรงกันข้ามกับกุศลเรียกว่าอากุศลคําว่าอากุศลตรงนั้นเนี่ยหมายถึงปฏิปักษ์ต่อกุศลเลยเช่นโทสะนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาคิดเบียดเบียนนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อ กรุณาถ้าเมตาก็ปฏิปักษต่อโทสะเพราะนัี่อากุศลนี้เป็นปฏิบักษ์ตากุศลฉันใดพระนิพพานนั้นเป็นปฏิบัติต่อสังคตาธรรมเนี่ยนะคิดว่าไม่คล้อยตามสังคตะธรรมเลยเพรานั้นเหมือนอย่างว่าเมื่อทุกขมีอยู่แม้สุขที่เป็นคู่ปรับกับทุกขก็มีอยู่ฉันนั้นใชก็ลองลองลองมานึกเปรียบๆดูอย่างนี้ใช่ไหม ความทุกข์ทั้งหลายมีอยู่แสดงว่าความสุขก็มีอยู่เพราะความสุขเป็นคู่ปรับกับความทุกข์เมื่อความร้อนมีอยู่ความหนาวหรือความเย็นก็มีอยู่ฉะนั้นว่าปฏิปักษ์กับร้อนก็คือหนาวเย็นเมื่อบาปประธรรมมีอยู่กัลยาณธรรมก็มีอยู่ฉะนั้นหมายความว่าถ้าบาปมีอยู่บุญก็มีอยู่เหมือนกันสมจริงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ในคมภี์พุทธวงศ์เนี่ยนะที่สุมเมศบัณฑิต ก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านมาคิดว่าเมื่อทุกมีเชื่อว่าสุขก็มีฉันใดเมื่อพบมีวิภพวิภพคือนิพพานเนี่ยนะสภาวะที่ปราศจากพบก็จําต้องปรารถนาฉันนั้นก็ความทุกข์มันมีนะเพราะผู้ที่ผู้มีทุกขนะ์เนียเขาต้องการอะไรเขาต้องการสุขผู้ที่อยู่ในภพเห็นโทษภัยของภพก็ไอความออกจากภพมันต้องมีแ ล, ล้ล่ะนีนะ ทำยังไงที่จะออกได้เมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นก็มีฉันใดเมื่อไฟสามกองไฟคือราคะโทสะโมหะมีอยู่นิพพานก็จำต้องปรารถนาฉันนั้นเพราะนิพพานเนี่ยเป็นที่ดับราคะเป็นที่ดับโทสะเป็นที่ดับโมหะเมื่อบาปธรรมมีเมื่อบาปรธรรมมีกัลยาณธรรมก็มีฉันใดเมื่อความเกิดมีความไม่เกิดก็จาต้องปรารถนา ชั้นนั้นคนที่คิดลักษณะเนี่ยคือพวกยานระดับสูงเยยานระดับ อ, อ, อาทีนวะยานเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นระดับอาทีนวะยานหรือก่อนที่จะได้สังขารุปเปกขายานเนี่ยความคิดอย่างนี้เขาต้องมีเพื่อที่จะชั่งระวงังหมายว่าอยู่หรือไปอ่ะนะตกลงจะอยู่หรือจะไปดีเนี่ ย, ยอันนี้คือเขาต้องมาชั่งมากแล้วชั่งแล้วชั่งเล่าคิดแล้วคิดเล่าอ่ะนะ ก็บางบางโครงการนะี่ยผูการนี้ทบทวนบ่อยนะเอายังไงดีน่เนี่ยนะเายังไงดีก็นแ่นะคิดคิดอยู่ลักษณะนี้ฉันใดนะในเรื่องของผู้ที่เจริญวิปัสนาเพื่อบรรลุมรรผลก็ลักษณะนั้นเขาทบทวนแล้วทบทวนอีกคิดแล้วคิดอีกแพ่งแล้วแพ่งอีกเนี่ยนะออกจากตาหรือไม่ออกดีอย่านะของเราถ้าอาทีนวานุปัสนาในเรื่องตาไม่ดีพอนะยังไงมันก็ไม่ได้ทบทวนหรอกมัน อยู่ยางเดียวอยู่ยางเดียวว่านงนั้นนะเหรใจมันบอกองั้นอยู you young e? mm ่ยังเดียวมันแค่แค่มา น, นึกนะเออเนี่ยนะถ้าดับตาได้คงจะดีเนาะน่นะั mm hmm. งแกสอนนึกอย่างนี้ บ, บ่อยไหมก็ mm hmm. ถามจริงๆนะเนี่ยม่อไรเนี่ ย, ยคิดถึงอะไระอะไรสังขาร อืเอาทั้งหมดเลยในชะ่ไหมคือพูดรวมๆมันนะแปลว่าไม่แยกพูดอย่านงะนั้นในชะ่สแสดงว่ากลุ่มมีปัญญามากานะเขาเขาแบ่งอย่างนี้นะก็บอกว่าถ้าพวกสแสดงแบบมหาพูดนนะ เ, ออเนี่ยนะเค่อยเออเนี่ยถ้าไม่มีผมนี่น่าะจะดีนะไม่มีเล็บไม่มีฟันไม่มีหนังไม่มีเนื้อไม่มีเอ็นไม่มีกระดูกค่อ ย, อยไล่ไปอย่างนี้นนะกลุ่มนี้ปัญญาไม่ค่อยมากมันคล้ายๆ อ, อะไรนะพวกเนี้ยดาบมันมันมัน มีดบอกมะม่วงอ่ะนะมันแบบทื่อๆแล้วอ่ะนะมันค่อยๆไปเอาทีละอันนะค่อยๆหัน่นทีละอันทีละอันทีละอันกลุ่มเนี้กับบางพวกก็บอกเขาเฮนี่อายตนะหกภายในหกเลยค่อยๆไล่เลยหกบางพวกก็บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาไอ้พวกนี้โหเป็นมีดชนิดพิเศษที่เรียกว่าฟันฉับเดียวขาดหมดเลยอย่างเงี้ย น, นะทางการอาจจะกลุ่มนั้นกไไ็ได้เห <c oughs> ็นไหมเพราะว่า อะไรก็รวมๆมานะเพราะถ้าถ้ามีร่างกายก็มีทุกอ่ะนะจริงๆอ่ะกะมันไม่ใช่อันเดียวใช่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจน่นะมันก็บางคนที่พิจารณาร่างกายมากเขาแบ่งกายคือผมก็แยกอย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง กายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะเาก็มาค่อยๆไล่ไปอย่างนี้อีกครั้งนึงแต่ถ้ารวมรวมเนี่ยน ะ, ะถ้าปัญญาไม่ดีจริงน้อยนักที่จะประสบความสาเร็จะนะคิดแบบรวมรวมเลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนคือการปลดเรื่องบางอย่างต้องค่อยๆปลดใช่ไหมค่อยค่อยปลดทีละนิดทีละนิดมันจึงจะปลดได้ทั้งหมด บางกลุ่มเนี่ยจะคิดจะปลดทีเดียวก็เหมือนกับอะไรนะสมัยนี้ฝรั่งเขาฉลาดเรื่องขายของเยนะถ้าหากว่ารอให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสตังค์มาโป่ก้อนเดียวซื้อเลยเนี่ยนะคงไม่มีใครซื้อได้อันนี้ทำไงดีระบบดาวก็มาระบบผ่อนก็มาเอาค่อยๆ ผ, ผ่อนนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะการพิจารณาเพื่อนนี้ก็ถ้าค่อยๆไล่ไปทีละอันทีละอันทีละอัน บางพวกที่ปัญญาน้อยเป็นไปได้ที่จะปลดเรื่องได้แต่ถ้าพวกมีปัญญามากนะก็ฟังไม่มากนะกล ม, กลมแรกกลมแรกๆอ่ะนะเช่นกลมอาธิตตะปริยสูตรถึงขนาดนั้นก็ยังย่อยนะก็ยังมาจำแนกแจกแจงแต่ถ้าไม่ต้องจำแนกอะไรมากก็คือเนี่ยภาษารีบุตรเนี่ยทาเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น นะพระมหาสมณะเนี่ยท่านมีปกติตรัสอย่างนี้แหละฟังพระพุทธละโอ้ดับเป็นพระทศดาวบันรู้ในบรลลุอีกเป็นพันในนันเของเราก็คาถานี้ฟังมาบ่อยมากของมาก็จําได้ว่าไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละก็แสดงว่าไอ้แบบเชือกเส้นโตๆขนาดนั้นฟันไม่ขาดเนี่ยนะมันก็ต้องมาค่อยๆไล่ออกมาทีละเส้นทีละเส้นใครก็เห็นเชือกอะไรนะเชือกที่มันเกลียวใหญ่หญๆเท่าต้นแขนเนี่ยนะ เชือกคล้ายๆเชือกม น, นิลานะและเชือกแบบนั้นนะแต่ถ้าค่อยๆเอามาคลี่แล้วเส้นใยเล็กๆๆๆๆๆเนี่ยนะแล้วค่อยเอามีดอะทื่อๆของเราเนี่ยค่อยๆหั่นไล่หั่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้แล้วฟันมาฉับๆเนี่ยนะดีมีดไม่กระเด็นถูกตาเข้าก็ดีแล้วนะก็ต้องอย่างนงี้แหละ <S <S ทั้นการพิจารณาธรรมะเนี่ยทำไมท่านจึงมาขยายเป็นปิยรูปสารูปตั้ง60 ก็คือค่อยๆคลี่ให้เราค่อยๆตัดทีละอันทีละอันทีละอันไม่ต้องไปคิดรวบไปหมดเลยไม่ใช่นะให้เราค่อยๆแยกค่อยๆซอยออกไปคือคิดอะไรแบบวิเคราะห์แยกแยะให้มันเพราะปัญญาน้อยมันก็ต้องแยกอย่างนี้แหละแต่พวกปัญญามากๆก็ไม่ต้องแยกอะไรมากมายการพิจารณาก็ก็ต้องค่อยๆซอยค่อยๆแยกย่อยแต่ถ้ามีปัญญามากก็ไม่เป็นไรแต่นี้พูดเผื่อคนที่ปัญญาเน้น้อยแบบเดียวกับคนพูดเนี่ยนะก็ คอยมาพิจารณาแยกย่อยทีละนี้ทีละนิดไปเน่ น, นะซึ่งทบทวนว่าการพิจารณาที่จะตรัสรู้ธรรมะในระดับสูงเนี่ยจะต้องคิดอะไรที่มันตรงกันข้ามมากเป็นคนกลุ่มที่คิดสิ่งที่ตรงกันข้ามบ่อยมากถ้าจะไม่มองแบบเทื่อๆอย่างเดียวเช่นถ้าทุกมีสุข ก, ก็มีฉันใด ถ้าหากว่าพบมีเนี่ยไอความปราศจากพบมันก็ต้องมีสิมันเหมือนอะไรถ้ามีนี่ไอความไม่มีนี่ก็ต้องมีสิอย่างเงี้ยนะต้องคิดลักษณะเนี่ยคือคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามบ่อยๆบ่อยๆขึ้นถ้าคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามบ่อยๆที่ดีกว่านะอย่างดีเนี่ยจิตมันก็น้อมไปเพื่อจะจะออกใช่ไหมสมมุติถ้าอย่างอย่างนางสุปวาสาเนี่ยที่มีคันเนี่ยเจ็ดปีคันหลงอีกเจ็ดเจ็วันเนี่ยนะ ท่านมาคิดยังไงท่านคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานเนี่ยพ้นจากทุกขเหล่านี้แล้วคือคิดตรงกันข้ามกับไอ้ทุกข์ที่มันกําลังเจ็บปวดอยู่นี้เลยนะทันใครเนี่ยเจ็บปวดนี่ก็การเกตถ้าปวดกระดูกกรนึกอย่างนี้ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีไอ้ความเจ็บปวดตัวนี้หรอกเนี่ยนะก็คือคิดให้มันตรงกันข้ามไว้ก่อนพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงพระนิพพานเนี่ยไม่มีทุกเหล่านี้หรอกพระสงฆ์ที่ปฏิบัติทุกวันก็ปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกอันนี้แหละ เราก็ค่คคอยๆไล่เลื่อนวัตถุไปเรื่อยๆปวดหัวทีหนึ่งก็คิดอย่างนี้ทีเองใครเป็นไมเกรนกาเริบก็นึกอเออพระนิพพานเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยที่พ้นจากความเจ็บปวดเหล่านี้แล้วพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าประกาศแต่งตั้งเปิดเผยสแสดงก็ไม่มีทุกข์อันนี้หรอกพระสงค์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เหล่านี้นี่แหละ น, นะเราก็เอาเอาเอาเอาตัวทุกข์เหล่านั้นอ่ะเป็นเครื่องเปรียบใช่ไหมก็เหมือนกับบทที่เรียกว่าอะไรนะ ทุกทุกขสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถาขาม่มีปฏิปทาเราทั้งหลายเนี่ยไอ้ทุกเนี่ยเราเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมเรามีอยู่ทุกเหล่านั้นเรามีแต่ว่าไอ้สภาพที่พ้นทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เรายังไม่เห็นมันเราก็ต้องนึกน้อมว่าเออการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่พ้นทุกเนี่ยดีจริงๆแม่ครูลองนึกอย่างนี้นะปวดหัวเมื่อไหร่ก็นึกลักษณะเนี่ยฝึกคิดตรงกันข้มามมาเดี๋ยวปวดฟันจะ เ, เป็นนึกอย่างนี้มั้งกัน นะเออมันถ้าไม่คิดแล้วมันฉลาดนะขอมาได้ดีไปนานแล้ ว, วนะก็ลองมาฝึกคิดตามดูแล้วเผื่อจะได้ดีบ้างหนนะหมอวิพินคิดอย่างนี้นะเออเห็นคนไข้ทีก็เออเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่มีทุกเหล่านี้หรอกนหนนะของมายังนึกถึงหมอที่เขาผ่าตัดไม่รู้เ็าทำใจได้ยังไงหมอผ่าตัดนะ ผ่าแขนผ่า้าผ่าท้องผ่าอะไรเลือดไหลซิบซิบซิบซิบอย่างงั้นนะ่ะนะไม่รู้ทําใจได้ยังไงน่ะนะเ <_ d ulations> ข้ามาเป็นผู้ชายยังทําใจยากเลยนะ <_ d ulations> เลือดไหลพนนุ่งอ่ะนะคือดูในรูปที่เขาผ่าตัดอย่างเงี้ยผ่าตัดก้อนเนื้อผ่าแขนอย่างเงี้ยนะปอกซ้ายปอกขวาแล้วก็ดึงเอาเนื้อบางชิ้นหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะไม่รู้ทําใจกันได้ยังไงเก่งมาก <_ d ulations> ไม่ก็ก็แผลผ่าเนี่ย เมื่อผ่าต้นแขนเฉพาะตรงนั้นหน่อยๆเฉพาะตรงที่นั่นนั่นนันก็เลยไม่เห็นปฏิกูลอะไรก็เลยเห็นนะก็นะก็อาจเป็นได้นะก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมๆนะ แต่ว่าถ้าเรานึกไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะถ้าพิจารณาแล้วมองให้มันลึกไปให้มันทุกส่วนเนี่ยนะโอ้แล้วก็ใครที่พิจารณาริยสัตว์เนี่ยอยากให้น้อมไปนึกแบบนั้นบ่อยบ่อนะนะคุณปิดาก็ไปน้อมนึกอย่างนี้เยอะๆหน่อยนะถ้าไม่งั้นก็ทิ้งทุกอันนี้ก็ถือเอาทุกอันใหม่ทิ้งภาระอันนี้ก็แบกเอามาหาภาระอันใหม่ถ้ามันได้เท่านี้ก็มีบุญหนักหนาแล้วเนี่ยนะ ก็บากลัวมันจะหนักวันนี้สิเนี่ยนะแต่ละคนที่เห็นเห็นอยู่เนะี่ยก็ไม่แน่นะเก็เขาอาจจะทําบุญกันไว้เยอะก็ได้เห็นไหมก็เขาเห็นเจดีย์เขาไปไหว้กันเยอะเขาไปกราบเจดีย์ไปเห็นเจดีย์ที่นะคนปรปฐมเนี่ยนึกเลยโอ้โ oh, หผู้มีบุญเนี่ยมากเนนะถ้าผู้มีบุญเหล่านั้นไม่มีเนี่ยเขาทําพระเจดีย์เหล่าไม่นี้ไม่ได้หรอกแสดงว่าเขามีศรัทธากันมากเขาเป็นผู้มีบุญมากในในบรรดาผู้มีบุญทั้งหลาย แต่ถ้ากลุ่มที่บุญในน้อยทั้งหลายจะทำไงเนี่ยนะมันจะต้องรีบเจริญเพื่อจะได้หนีออกจากสิ่งเหล่านี้คือคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะอยู่ในวัตตะมันอยู่แบบทุกขะตะจริงๆนะทุกขะตะก็มาจากคำว่าทุกขตินั่นแหละไปไม่ดีอ่ะมันเดือดร้อนอ่ะนะมันลำบากไปทุกพวกทุกขะตะทั้งหลายเนี่ยนะคิดอะไรนะมีปัญหาไปหมดคนอื่นนะคลื่นง่ายไปหมดนายเจ้านี่มันนึกอะไรมันเดือดร้อนไปทุกเรื่องเลย คนอื่นนะเรื่องกินเนี่ยเขาไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมไอ้บางเจ้าเนี่ยโอ้โหมือนี่จะไปกินที่ไหนเนาะวัดทันเตาเมื่อก่อนนี่จะเห็นบ่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็บอกเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยผมขอสตังค์หน่อยเถอะว่างั้นพอได้ข้าวเหนียวสักก้อนหนึ่งก็ยังดีนะนะคุณไพเรีนยังเคยให้ไปเลย น, นะไพเรนเาก็ใจดีครับจัง เพียงก็คนที่เดือดร้อนในลักษณะนี้มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะที่ทุกเหล่านี้เนี่ยนะมันอดอยากหิวหัวจริงๆเลยพวกทุกขตะทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเจอไหมเคยเจอไหมทุกขตาเนี่ยนะหอบข้าวหอบของพรุงพลังไปทํางานกรุงเทพนะทํางานเสร็จไอ้ก่อสร้างนี่แหละเจ้านายไม่รู้ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้หอบข้าวหอบของกลับมาติดหนี้ทั้งหากนะเหนื่อยฟรีกี่เดือนก็ว่าไปเนี่ยนะเต้นอย่างเงี้ยมากไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่า ทำงานเนี่ยตั้งหลายเดือนกว่าจะมีเงินได้สักพัน0มื่นหนึ่งนายก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีไว้เหมือนั้นเดี๋ยวว่าหลังมเมานะจากบ้านอีสานขึ้นกรุงเทพเนี่ยมันจะกี่รอบนะมันกว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีจ่ายสักทีหนึ่งมันก็บางคนนี่ก็ลักษณะนั้นพวกที่เดือดร้อนนี่เขาเดือดร้อนจรงิงๆอยู่ในวัตตะงอันขอมานี่รู้เลยว่าคนที่มานั่งฟังธรรมแบบสบายสบายเนี่ยในโลกนี้มีไม่กี่คนหรอก แม้กระทั่งกลุ่มกรุงเทพนะก็บอกว่าคนที่สบายสบายเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องทํามาหากินฟังธรรมได้เนี่ยมีไม่ถึงห้าคนในนั้นเนี่ยนะมีเวลาแบบสบายๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีฟังธรรมไปที่ไหนก็ได้ของรห้องเรามีกี่คนอาจารย์เกตคนหนึ่งอาจารย์เกสอนคนหนึ่งยมนองคนหนึ่งนภาพมีบ้างไม่มีบ้างใครอีกแม่ครูคนหนึ่งอันนะมีไม่กี่คนอ่ะเชีย แต่ว่าในห้องเรานี้ดูหลายคนก็มีบุญกันมากนะแต่ถ้าก็พยายามนึกให้ดีๆนะว่าบุญทุกเรื่องอ่ะนะทุกเรื่องมันเป็นของชั่วคราวใช่ไหมโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตเรายังเป็นของชั่วคราวถ้าไม่เจริญกุศลให้เพียงพอที่โดยเฉพาะมรรคกุศลเนี่ยนะแล้วก็ยากเหมือนกันแล้วปัญญาที่จะเห็นโทษของสังขารนะในโลกนี้น้อยนะักที่จะเห็นโทษของสังขาร พันที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนที่จะเปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารอันนี้ต้องพยายามฝึกเอามาคิดดูถึงเราเราก็อย่าไปเอาโรคไอะเรียกว่าโรคบุญน้อยเข้ามาแทรกมากนะนะไข้ตัวนี้อย่าเพิ่งกําเริบนะบรรลุไม่บรรลุไม่เป็นไรขอให้ได้คิดก่อนเถอะขอให้พิจารณาก่อนเถอะเหมือนกับบางคนนะเขาเข า, เขาปิดกั้นตัวเองวิธีเขาไม่อยากอ่านพระไตรปิฎกเขว่างไงนะถึงอ่านก็ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ต้องอ่านกัน เม really well ื่อไรเมื่อไรก็บอกอ่านก็ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ยอมอ่านนี <S 2 <S 2: ่ก็เหมือนการบางคนก็บอกบุญน้อยยังไงเขาก็ไม่ได้บรรลุหรอกเขาก็เลยไม่ยอมพิจารณาเพื่อนนี้ไม่ได้บรรลุถาวรนี่นะบอกอยาไปเรียนภาษาีีก่านั่นแหละมอกไปเยนภาษาีก็่ง่ไปเรียน้ีเดียวกีาใช่ขนาดไม่เรียนยังขนาดนี้เลยยังก็ว่าไม่เรียนแล้วเต็มอย่างนั้นเลย นะมันมาน้อมพิจารณาบ่อยๆนะถ้าโดยเฉพาะผู้ที่ เ, เห็นทุกเนี่ยเอาตัวทุกเนี่ยมาคิดบ่อยๆน้อมไปเห็นเห็นสภาพของผู้ที่ทุกเนี่ยนะหรือความทุกโดยเฉพาะทุกภายนอกนะผู้มีบุญทั้งหลายเขาก็เอาทุกภายนอกมาพิจารณาใช่ไหมเห็นคนโรคตาเป็นต้นเนี่ยนึกว่าโอพระนิพพานเนี่ยสงบระงับจากทุกเหล่านี้หนอมน้อมไปคิดลักษณะเนี่ยตรงกันข้ามแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆให้จิตเนี่ยน้อมไปโอนไปใน อสังคาตธาตุนะจ่าจวินิษฐ์เห็นคนไข้คนหนึ่งก็ได้คิดอย่างนี้สักคนก็ยังดีถ้าวันนี้วันหนึ่งเห็นคนไข้กี่คนก็ให้มันน้อมไปเท่านั้นอ่ะนะก็ถ้าน้อมไปอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็จัะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราไม่ใช่น้อยจิตมันก็น้อมไปเพื่อจะออกแต่ถ้าไม่น้อมไปนึกอย่างนี้เลยนะรับใช้ขันท่าตลอดไปทีนี้ถ้าขันท่าตอนมันดีนะเราก็ยิ้มตันหาก็เกิดตอนมันเสียหายอะไรเกิด โทสะเกิดถ้าโทสะเกิดปัญญาเกิดไหมไม่เกิดก็อยู่ด้วยความเสียใจด้วยความระทมหม่นไม่หม่น ม, หมนมองเหมืนก็พยายามนึกไว้นะว่าสังขารเหล่าเนี้ถ้าพระนิพพานเนี่ยสงบประงับสังขารเหล่านี้จริงๆคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามจิตมันจึงจักน้อมออกเนี่ยนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งการไขถึงว่าพระนิพพานเนี่ยมีอยู่โดย ปรมัดนะเป็นสภาพที่มีอยู่โดยปฐวีธาตุมีอยู่จริงฉันใดไหมนิพานที่ตรงกันข้ามกับปฐวีธาตกก็มีอยู่มีอยู่จริงนะอาโปธาตุเนี่ยนะสภาพที่เออบาบมีอยู่จริงฉันใดสภาพที่ตรงกันข้ามกับอาโปธาตกก็มีอยู่ฉันนั้นไอคําว่าอาโปเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงน้ําฝนใช่ไหมอาโปคุณชุศรีนึกถึงอะไร อ, อ, อาโปเออบาบของอะไร น้ำฝนน้ำบาดาลน้ำปลาปลามันข้นมันเลวน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะน้ำลายน้ำดีอ่ะมันต้องนึกถึงน้ำกลุ่มนี้นะจึงจะบอกว่าเออคือคนที่ไม่ค่อยมีโรคพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้ากายเนี่ยแผลเน่าเฟะไปทั้งตัวเนี่ยนะอาบกลุ่มอโปทากําเริบเนี่ยนะน้อมไปได้เลยว่า อาโปธาต์เอเบออาบไอเอิบอาบแบบนี้ไม่ได้เอิบหน้าปราถ น, นะนะพระนิพพานนี้สงบประงับดับอาโปธาต์เหล่านี้เนาะอย่างปัวีธาต์เนี่ยนะใครเป็นโรคโรคเกี่ยวกับร่างกายได้โรคเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกโรคทั้งหลายเนี่ยก็น้อมคิดเรียบมันตรงกันข้ามกับปัทวีธาต์ปัทวีธาต์ไม่มีนิพพานไม่มีปัทวีธาต์เหล่านี้อยู่เลย นิพานนี้ไม่มีเตโชธาต์อยู่เลยนะกลุ่มที่ไข้ขึ้นมากอากนะบอกว่าพระนิพานไม่มีไข้ขึ้นเหล่านี้เลยนิพานนี้ไม่ไม่มีเตโชธาตทําให้ชราเลยพวงเราเนี่มันแก่อยู่ทุกวันก็เพราะเตโชธาต์นี้มันทํากิจก็เลยแก่ลงแก่ลงแก่แก่ลงหรือแก่ขึ้นแก่ขึ้นเลยแต่แก่ลงมันหมายความว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แก่เท่านี้มันแก่มากขึ้นมากขึ้นเนียะขึ้นหรือลงก็ได้นะแล้วแต่ใครประจักษ์อันไหนก็เอา นะก็กลุ่มเตโชกำเริบเนี่ยนะเช่นใครที่มูมีปกติมักจะคันเนี่ยนะมักจะคันเป็นต้นเนี่ยก็น้อมว่าเพราะไอ้ความร้อนความผุพองอะไรทั้งหลายนี่เกิดจากเตโชธาตใช่ไหมนั่นเตโชธาต์นี้สงบระงับจากขออภัยนิพานนี้สงบระงับจากเตโชธาต์เหล่านี้หนอแล้วก็กลุ่มวาโยธาเนี่ยนะวัดความดันเมื่อไหร่บอกนิพานเนี่ยไม่มีความดันขึ้นร้อยสี่สิบห้าสิบ สองร้อยขนาดนี้รอกเนี่ยนะมียมคนหนึ่งความดันขึ้นทั้งสองร้อยบั้ น, นก็ยมนงเคยขึ้นเท่าไหร่นะสองร้อยกว่านะหมอยุพปุนก็ว่าไม่รู้รอดมาได้ยังไงแบานั้ น, น, น, น, นต่อมีบุญมา ก, ก น, นะมันลดลงได้เนี่ยถ้ามันไม่ลดนะปั น, นี้เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกวายโยธาธเช่น ก็บอกว่าพวกปวดพวกเมื่อยนะพวกนี้เป็นวายโยธาดนะพวกปวดเมื่อยบิดซ้ายก็แล้วบิดขวาก็แล้วพวกนี้เป็นวาโยธาผนะ ด, ด, ด, ดทับพารมอันท่า น, นิพานเนี่ยไม่มีสภาพกองทุกเหล่านี้ น, นะซึ่งจะกว่ารู้รู้ว่านี้คือทุกไม่ใช่ใครอยู่แล้วใช่ไหมด้วยอํานาจของการทําตีรณะปริญญาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ใครมันไม่ใช่ของใครทุกเหล่านี้มีอยู่ แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เป็นสุขจริงหนอเป็นสุขดีหนอก็พยายามที่จะน้อมนึกในลักษณะนี้นะกลับในทุกขธรรมทุกอย่างให้พิจารณาอย่างนี้กับตัวทุกข์ทุกกนแล้วค่อยเอาวิปริณามทุกสังขาราทุกมาเป็นเครื่องเปรียบบ้างของเราก็จะไปแหมจะไปละเอาอะไรนะโดยมากก็จะเอาไอ้แบบเนี้ยโสคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโสมนัสใช่ไหมมันยากนั้นต้องเอาไอ้ตัวทุกกน มีบางท่านก็บอกท่านเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าบอกสุขสุขะสมุทัยสุ ข, ขนิโรธเนี่ยนะแต่ว่าโดยนัยะตามปฏิสามพิธามักมีอยู่แต่ว่าแต่ถ้าพูดตรงๆแบบนี้ไม่มีความสุขเหตุเกิดแห่งความสุขความดับแห่งความสุขเอ้ความสุขอยู่แล้วต้องไปดับมันทำไมใช่ไหมนั้นพระองค์จึงแสดงว่าเป็นเป็นทุกข์แทนแม้แต่ความสุขก็ยังเป็นเป็นทุกข์มเป็นอะไรทุกข์ สังขารทุกข์อ่าขออภยัยวิปริณามาทุกข์เพราะฉะนั้นแม้กระไอ้ทุกข์เหล่านั้นก็จําต้องต้องดับมันก็ต้องพยายามนึกน้อมซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะมีข้อมูลเรื่องทุกข์ไม่ใช่น้อยใช่ไหมก็สิ่งที่ฟังแล้วเนี่ยนะไม่เป็นเรื่องที่เล่าขานกันไม่จบไม่สิ้นคือเรื่องทุกข์แต่เหรอคนเนี่ยนะเขาจนเรื่องเงินเรื่องทองจริงแต่ไม่มีใครจนเรื่องทุกข์อะนะ โดยที่สุดตั้งแตญยาจกจนถึงมหาเศรษฐีเนี่ยนะที่มีความสุขอันนะั้นที่ไม่ยากจนความทุกข์เนี่ยนะห่วหายากจริงๆโอ้ยโยมช่วงนี้มีความสุขมากอันนะัไม่ค่อยได้ยินหน่มีแต่เดือดร้อนกันทั้งนั้นไม่อันใดก็อันหนึ่งไม่บางคนก็อะไรนะนอกตัวไกลามากเลยนะนอกตัวไกลมากเลยเช่นเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลนะ่ะซึ่งตัวเองมันไหนเป็นนักการเมืองอะไรสักอย่างนะก็ไปเดือดร้อนนู่นไกลามากนะถึงกรุงเทพ ตัวนี้อยู่เชียงใหม่แต่เดร้อนนู่นถึงนกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไปหาเอาทุกคนอื่นมาทุกข์กันนะบางคนก็ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเรื่องลูกเรื่องล้านบางคนก็เรื่องที่ทํางานเรื่องทำมาหากินบางคนใกล้เข้ามาหน่อยก็เรื่องสุขภาพบางคนก็ทุกเกี่ยวกับเรื่องฟุ้งฟานดต้นต้นนะสรุปว่าไม่ค่อยยากจนแต่ว่าสิ่งให้พยายามนึกตรงกันข้ามว่าอสังขตะธาตุไม่มีตัวตัวทุกเหล่านี้อยู่เลยแต่ก็ยืงไว้เลว่า นิพานนั้นก็คือความไม่มีสังขตะธรรมเหล่านั้นเนยแวกยังไงจึงจะทะลุสังขตะธรรมเหล่านั้นเห็นอสังขตะธรรมได้นิพานไม่ใช่อากาศนะนั้นก็ไม่ใช่ไปคิดหาอากาศขึ้นก็ไม่ใช่นั่นก็ต้องน้อมไปนึกลักษณะนี้บ่อยๆนั่นก็ถ้าเอาไปตรึกลักษณะนี้บ่อยๆนะเวลาฟังนิโรสัจจะก็จะทราบซึ้งมากขึ้นเห็นไ